ในลำดับต่อไปเพ่พากันตั้งใจเจริญจิตภาวนาอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความของแพ้วเพื่อให้จิตได้ของแพ้วสงบดีแล้วจะได้หาโอกาสเจริญวิปัสสนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาเห็นรู้ตามความเป็นจริง เพื่อจะชำระกิเลสในส่วนละเอียดให้เบาบางลงไปอีกส่วนหนึ่งสมถะและวิปัตนนาทั้งสองประการนี้เป็นอุบายเพื่อชาระกิเลสให้หมดตวจวผ่องแผ้วในจิตใจของตนอย่างสมบูรณ์ถ้าเมื่อบุคคลได้ไปฏิบัติได้บริบูรณ์ดีแล้ว ในเบื้องต้นจึงควรฝึกหัดเรื่องสมาธิให้เกิดความทำนานช่ำชองให้ดีเสียก่อนจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาเพราะจิตเมื่อยังไม่ตั้งมั่นดีเพียงพอจะใช้ปัญญาพิจารณานั้นจะไม่มั่นคง ซึ่งจะพาให้ความรู้สึกนึกคิดในการพิจารณานั้นไฝ่เฟะออกนอกทางของวิปัสสนาไปก็ได้เพราะวิปัสสนานั้นละเอียดอ่อนและบางที่บางสถานเหมือนกับมีทางหลายแพร่งซึ่งจะพาให้เราเดินไปทางไหนจึงจะถูกต้อง จึงต้องมีความรู้และมีการพิจารณาให้รอบข้อเพราะวิปัสนาเป็นธรรมละเอียดอ่อนที่จะชำระจิตให้หมดจากกิเลสส่วนละเอียดคือนิสัยและสัญน์อันหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสแสดงให้เห็นความถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรงมีพระปรีชาอันล้ำเลิศมองทางใกล้ก็ลึกมองทางไกลก็ลึกพระธรรมของพระองค์ที่นำมาสั่งสอนได้ตริตรองอย่างรอบคอบเรียกว่าหาอะไรผิดไม่ได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลและเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นไปตามลำดับที่พระพู้เยเจ้าทั้งหลายได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเปิดทางสอนทำไว้อย่างไรทุกทุกพระองค์ก็ดำเนินตามที่ว่าดำเนินตามนั้นม่ใช่เกรงใจกันหรืออย่างไรแต่เป็นไปตามธรรมที่ชอบคือทุกพระองค์ ได้แต่จะรู้เป็นพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าแล้วได้จต่สอนทำอันใดทำอันนั้นพระองค์ด้วยได้มียาญอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มีความสอดส่องพิจารณาตรวตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้ทรงสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรจเจริญเหล่นา น, นี้เป็นต้นความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ที่มีพระมหาก็เป็นผู้ที่มีพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศไม่มีสันประสั์อื่นที่จะมีพระปัญญาเทียบเท่ากับพระองค์พระผู้มีพระพ่าเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญาอันล้ำเลิศดังเราจะเห็นได้ในพระธรรมเทศนาของพระองค์ที่เรียกว่าบางสิ่งบางอย่าง เป็นของเสียแล้วเป็นสิ่งที่ไม่พ่้อยมีใครอยากนึกถึงแต่พระองค์กับหยิบมาสอนให้เป็นธรรมขึ้นเท่ากับว่าของสิ่งใดที่เขาทิ้งกันแล้วแต่พระองค์ทรงฉลาดมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นธรรมโอสถรักษาขิเล็ด กำจัดกิเลสของบุคคลที่มีอยู่นั้นให้บาบางลงไปได้เราจะเห็นได้โดยพระธรรมเทศนาโดยทั่วไปเช่นคว า, ามแก่คว า, ามเจ็บคว า, ามตายโดยทั่วไปที่สมัยยังไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่อยากมีใคระระลึกถึงเพราะเกรงกลัวต่อความแก่ความเจ็บคว า, า, า, ามตาย แต่พระองค์ได้ดัดแปลงสิ่งเหล่านี้จากเป็นสิ่งของน่ากลัวกลับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการพิจารณาหรือกล่าวโดยใจความก็คือจากของเสียให้กลายเป็นของดีจากของร้อนให้กลายเป็นของเย็นจากที่ไม่มีใครเห็นว่าไม่มีประโยชน์ กับนำมาสอนให้มีประโยชน์เป็นธรรมโอสถรักษาจิตของบุคคลที่อมไว้ด้วยกิเลสให้บาบางและหมดไปได้ด้วยพระธรรมเทศนาต่างๆที่เราได้สดกับฟังกันมาแล้วความเกิดที่คนนิยมชมชอบพระองค์ก็ทรงชี้เห็นทุกแต่ความแก่ ให้เห็นทุกความเจ็บให้เห็นทุกความตายหเห็นทุกแก่เจ็บตายหทุกนี้เพื่อนำให้มาพิจารณาเพราะเมื่อบุคคลได้พิจารณาเห็นตามความจริงแล้วจะเกิดความสงบนี่หมายความว่าพร้อมที่จะเต็มใจพิจารณาพร้อมที่อยากจะรู้ว่าความเจ็บความแก่ความเจ็ บ, ค ว, บความตาย ที่ไม่พึงปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอาการเป็นอย่างไรให้ผลอย่างไรเมื่อได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าเป็นคุณอย่างยิ่งเช่นนึกถึงความตายเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตของตนอย่างหนึ่งและให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าเราเกิดมานี้ แต่อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วขณะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นเองมิได้อยู่เรื่อยๆไปดังปรารถนาเพราะมีความแก่ความเจ็บส่งให้ผลถึงความตายกันด้วยการทุกๆคนไม่มีใครรอดพ้นจากภาวะเหล่านี้ไปได้ที่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้กลัวแต่สอนให้ มีธรรมะเกิดขึ้นคือความไม่ประมาทอย่างหนึ่งและสอนให้เกิดปัญญาคือความรู้จริง <c oughs> เห็นจริงอย่างหนึ่งว่าทั้งขานทั้งไหลทั้งปวงเป็นอย่างนี้อย่าเข้าไปยึดถืออย่าเข้าไปถือมั่นถือมั่น ย, ยึดมั่นถือมั่นในทั้งขานทั้งหลทั้งปวงนั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังที่ได้แสดงไว้บ่อย วันนี้จ ะ, จะแสดงกรรมฐานก็คือในอนุสติเหมือนกันแต่ว่ามิได้เป็นธรรมะที่ใช้เพียงอย่างเดียวคือใช้ปัญญาด้วยประกอบกันหรืออีกในหนึ่งธรรมะที่จ ะ, จะแสดงนี้ก็มีอยู่ในมหาสติปฐาน ในแก่การพิจารณาธาตุในสรีระร่างกายของตนให้เห็นตามความจริงให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ตามความจริงให้เป็นวิปัสนาเพราะสงบเป็นมสมาธิสมถะนั้นเพียงขม ระงับไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะความสงบยังไม่สามารถจะตัดให้ขาดจากกิเลสสารังสาราได้จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาอีกวาระหนึ่งแต่ปัญญาที่จะเกิดมาตัดกิเลสอย่างละเอียดถูกคุมได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่เกิดมา ภายหลังจากมีสมาธิเป็นประทัานเสียก่อนเมื่อมีเป็นสมาธิเป็นพระทัศนเป็นหลักการที่มันคงแล้วพิจารณาจึงจะเห็นจริงเห็นตรงตามความเป็นไปของสังขารนั้ น, น, นเป็นที่ทราบมาแล้วว่าริระร่างกายของคนเหล่านั้นจึงเรียกว่ารูปหรือกายนี้ก็คือประกอบพิธาสี่ดินน้ำไฟลมดิน ปัจวีธาตุน้ำอาโปธาตุไฟเตโชธาตุลมวายโยธาตุซึ่งในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสอนทาตเรื่องนี้ต้องบอกเป็นภาษาบาลีคือปัจวีอาโปเตโช ว, วายโยมิได้สอนแบบเป็นภาษาไทยเราเพราะเป็นไปในชมพูทวีปเราได้แปลกันมาจากภาษานั้น มาเป็นคําสอนในภาษาไทยจึงจะเกิดความเข้าใจธาตุทั้งสี่มีอยู่ในศตรีระร่างกายนี้มีเกิดมีขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่ใช่มาเติมต่อปูกวังในสมัยเมื่อเกิดแล้วหาใช่ไหมมีกำเมยเกิดมาก็มีธาตุทั้งสี่ที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างกวามีแต่ส่วนใหญ่ พอมักจะเกิดความสมบูรณ์หรือจะมีอะไรบ้างก็เพียงเล็กน้อยในเบื้องตน้นแล้วก็หายไปธาตุทั้งสีเป็นหลักขอ ง, งสิ่งที่ทําให้เกิดมีชีวิตเช่นมนุษย์เราในร่างกายของเรามีธาตุทั้งสีเมื่อเป็นชนิดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธาตุของเราอันไหนเป็นดินอันไหนเป็นน้ําอันไหนเป็นไฟอันไหนเป็นลม พ่อพิจารณาด้วยลักษณะของธาตุนั้นเช่นว่าแผ่นดินหรือก้อนดินก้อนหินเป็นวัตถุที่แข็งแกรง่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันถ้าหากว่ามาเทียบร่างกายก็ได้แก่ส่วนที่สามารถเห็นสามารถหยิบจับต้องเช่นหนังกระดูกเอ็นภายในตับปอดเหล่านี้เป็นต้น สามารถที่เห็นได้ด้วยสามารถที่ยิดตวได้ด้วยมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่ส่วนเหล่านี้ที่เราเห็นเที่ยหยิบได้ตั้งแต่เกศาโลมาเป็นถึงมัทเกมัชลุงคังทั้งหมดนั้นเป็นธาตุดินทั้งสิน้นส่วนธาตุน้ำนั้นได้แก่ปิตังน้ำดีเป็นต้นไปถึงมุดต่างน้ำลูปน้ำมุดอาการธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็คือการไหลไปไหลามา เช่นเลือดเป็นต้นหรือสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ร่างกายเช่นเหงื่อเป็นต้นเวลานั่นถูกแดดหรือความร้อนเกิดขึ้นเขาจะไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าในร่างกายของเรานี้มีน้ำด้วยจึงเรียกกันว่าธาตุน้ำหรืออาโปธาตุเป็นสภาพที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนซึมออกมาจากร่างกายแม้ผมขนหรือสิ่ ง, งต่างในผิวหนังที่ เป็นที่มาเป็นที่ทางเดินไปทางไหลของท่าน้ำก็มีเช่นตามคุ้มขนเป็นต้นท่าน้ำมีบทบาทที่สาคัญก็คือว่าให้พอเหมาะพอดีกับทาดินถ้ามีดินอย่างเดียวไม่มีน้ำดินนั้นก็แข็งแกร่งนวนเป็นฝุ่นได้ง่ายคันเมื่อมีทาดน้ำแล้วก็จะซึมซาบกันไว้พอเหมาะพอดีไม่แข็งเกินไปไม่เป็นฝุ่น ของธาตุดินนั้นและก็ทำให้ปรากฏเห็นชัดเจนว่าธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายนี้ย่อมทำให้ในกายของเรานี้มีอิรัยาหนึ่งคือความไหลไปไหลามาเช่นระบบเลือดและระบบเหงืององ่อและสิ่งอื่นๆมีน้ำมูกน้ำตาน้ำหูที่ขึ้นชื่อว่าน้าน้ำ ของธาตุนี้ก็เป็นเรียกว่าธาตุน้ำทั้งสิน้นทวนธาตุไฟก็ได้เคยความอบอุ่นในร่างกายที่ไฟนี้เป็นสิ่งสำคัญมากให้ร่างกายได้อบอุ่นบริโภคอาหารไปแล้วมีส่วนไฟส่วนอุ่นนี้ได้เผาผ่านอาหารให้ย่อยไปและธาตุไฟยังมีประโยชน์ที่จะทําให้สิ่งต่างๆไม่บูดไม่เน่า เ น, เนื้อหนังมังสาเป็นต้นจะอุ่นอยู่เสมอจะไม่เกิดการบูดเน่าเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นประโยชน์ของธาตุไฟถ้าหาว่าธาตุไฟไม่มีแล้วปริโภคอาหารอะไรไปก็ไม่ย่อยอืดและเกิดเน่าเสียอยู่ในร่างกายทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยประการต่างได้ธาตุไฟจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งขาดไม่ได้ รวนธาตุลมได้แก่การหายใจเข้าหายใจออกก็ดีรวมที่ออกทางตาออกทางหูออกทางปากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีที่เป็นลมที่มองไม่เห็นแต่รู้สัมผัสได้เรียกว่าธาตุลมธาตุลมนี้มีประโยชน์แก่ร่างกายก็คือทาให้กาวร่างกายอ่อนไหวคือลุกหางอได้หยอดได้เดินได้ก้าวได้ อย่างนี้เป็นต้นในลักษณะการเคลื่อนไหวของตาของกายนี้การที่ทาให้ร่างกายนี้มีข้ององข้อพับและอื่นๆหันซ้ายหันฝวานี้ด้วยอํานาจของธาตุลมแต่ธาตุทั้งสี่นี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่เห็นได้ว่าทั้งสี่ประการนี้ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทีเดียวเรียกว่าไม่ได้อย่างเด็ดขาด คือถ้าหากว่าขาดใดท่านหนึ่งนะอยู่ไม่ได้เหมือนกับบ้านสี่เสาท้อหนึ่งหักพุพังไปที่อสามตสาเยื่อแข็งแรงก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเซไปหักไป ส, ส, สลายไปในที่ถูกเหมือนกันธาตุนี้ก็เหมือนกันธาตุทั้งสี่พยุงกันไว้ส่งเสริมกันไว้ให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ธาตุไฟยให้ร้อนเกินไปอย่าให้อ่อนเกินไป ถ้าลมก็ย้ายรุนแรงเกินไปและย้า้น้อยเกินไปถ้ทาทุกสิ่งทุกอย่างของอาศัยพอเหมาะพอดีไม่ว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมถ้าหาว่าเกินไปก็อีกธาตุหนึ่งที่ช่วยเหลืออยู่ก็ไม่สามารถที่จะประคองไว้ได้เ <c oughs> ช่นธาตุไฟอ่อนแต่ธาตุน้ํามากน้ํำในร่างกายเขาจะมากและก็ไม่ได้รับความอบอุ่น ผสมกับอาหารยาที่เคี้ยวไปอาหารนั้นก็ทําให้เกิดการบูดเน่าผสมด้วยธาตุน้านด้วยจึงทําให้เกิดความปวดท้องไถ่ท้องออกมาอย่างมากมายเพราะธาตุต่างๆเริ่มวิปริตเริ่มแปรปวนไม่เหมือนกันธาตุทั้งสี่นี้ถึงแม้จะไม่มีตัวมีตนโดยแท้แต่เป็นธรรมชาติที่อยู่โดยการคือสาคือเรียกว่าสามัคคีกัน ไม่ขาดซึ่งกันและกันให้พอเหมาะพอดีซึ่งกันและกันจึงทําให้จรีระชีวิตที่อยู่ได้ถ้าธาตุอันใดส่วนใดตั ว, นวนหนึ่งเกิดพิการลงก็ทําให้บุคคลนั้นเกิดความเจ็บป่วยเกิดอ่อนแอรหรือไม่สามารถทํากิจทำการงานได้เต็มที่เพราะาธาตุใดเพื่อหนึ่งเกิดป่วยลงเพราะฉะนั้นธาตุทั้งสีน่นี้จึงควรพิจารณาให้เห็นตามความจริงว่าร่างกายของเรานี้ ไม่ใช่มีผู้ที่เนรมิตรสร้างขึ้นมาแต่มีเกิดขึ้นตามหลักของธรรมชาติคืออาศัยธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาพอเหมาะพอดีแล้วจึงได้เกิดได้ถ้าหากว่าธาตุทั้งสีน่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่พร้อมหรือเกิดมาไม่ได้อีกสามอย่างเขาเกิดไม่ได้เหมือนกัน เป็นธาตุสามัคคีโดยธรรมชาติดังได้กล่าวมาแล้วธาตุทั้งสี่ย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้พอเหมาะพอดีดังได้กล่าวมาแล้วน้ำอย่างเดียวจะเย็นมากไปไฟอย่างเดียวจะร้อนมากไปทั้งสองอย่างก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งน้ำและทั้งไฟอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดไปไม่ได้ ถ้าเกิดหมดขึ้นจริงก็อยู่ไม่ได้ชีวิตนี้จะต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเกิดใหม่แล้วแต่บุญกรรมที่ว่าไปเกิดเพราะอะไรหันมาพิจารณาในธาตุให้เป็นกรรมฐานก็คือให้รู้ตามความจริงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นธาตุสีทั้งสี่อย่างมาประกอบกันเป็นรูปเป็นชินเป็นอัน มีร่างมีร่างมีกระดูกมีหนังมีเนื้อมีไส้น้อยไส้ใหญ่ในภายในซึ่งต่างแต่ละฝ่ายทำงานประสานกันช่วยเหลือซึ่งกันและทางนอกทางในเหมือนกับต้นไม้มีมะม่วงเป็นต้นเราจะเห็นลำต้นที่พ้นจากดินเห็นกิ่งที่พ้นจากดินเห็นใบที่พ้นจากดินเห็นดอกที่พ้นจากดินเห็นโลกที่พ้นจากดินแต่ความจริงแลภายในมันประสานกัน เชื่อโยงถึงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงมาเป็นเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งความที่ธาตทั้งหลายพรั่งพร้อมกันเสมอกัน ย, ยังจะให้ชีวิตของธาตุทั้งหลายอยู่โลกได้ต่อไปได้คือไม่ถึงกัยังไม่ถึงกับความตายถ้าหากว่าทาตเราได้แับหนึ่งเกิดอาพาธเกิดประชวรหรือว่าเกิด เป็นทุกข์ยยไข่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรุนแรงเกินไปที่จะไม่มียาอย่างใดหนึ่งเยียวยารักษาได้ชีวิตของบุคคลนั้นก็ต้องสูญสิ้นไปเรียกว่าตายไปลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุทั้งสี่ธาเราพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นว่าในตัวเรามีธาตุสี่ประการคือมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแต่รู้อย่างนี้ยังไม่เป็นกรรมฐานเพียงรู้เท่านั้นเอง แต่เมื่อได้พิจารณาไปแต่ละาธาตุแต่ละอย่างนั้นก็จะเห็นตามความยิงว่าแท้ยิงแต่ละาธาตุนั้นไม่ใช่อยู่นิ่งแปรปรวนไปอยู่เสมอธาตุ ด, ดิ่งก็แปรปรวนธาตุน้ําก็แปรปรวนธาตุไฟก็แปรปรวนธาตุลมก็แปรปรวนไม่ได้อยู่นิ่งเลยเป็นไปตามสภาพทั้งๆ ท, ที่บริโภคอาหารก็ได้เท่ากันแต่ บางทีก็เจ็บป่วยไม่เหมือนกันแต่คนละอย่างกันพึ่งสังเกตได้ว่าคนเราที่เจ็บป่วยนั้นมาจากมาเจ็บป่วยตรงตรงไหนสาเหตุอะไรเขาก็พิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากธาตุดินหรือธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากอาการเหล่านั้นแต่ในทางพระศาสนาท่านสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้พิจารณาว่า ร่างกายของแต่ทัางหลายที่เห็นเป็นรูปร่างแต่และอย่างและอย่างนั้นเราเรียกแต่ทั้งหลายต่างกันเช่นเป็นพิเชาวาสัตว์เดชานั่นโคนั่นกระบือนั่นเก้งนั่นฟางนั่นสุ น, นักนี่แมวและนี้เป็นต้นเรียกชื่อกันแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่พ้นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแต่เขาไม่มีโอกาสรักษาไม่เคยศึกษาศึกษาหาความรู้ยังไม่รู้ว่า ตัวเขาเองก็คือธาตุชนิดหนึ่งในของธาตุสี่าตดิมธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ร่างกายนี้เพราะส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องถูกตั้งชื่อเมื่อตั้งชื่อแล้วจึงจะเรียกถูกถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกไม่ถูกจะเป็นส่วนภายนอกเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังก็ตามนี่ก็หมายความว่าตั้งชื่อขึ้น ให้รู้ว่านี้เป็นส่วนนอกของร่างกายของร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้าหนองน้าปัสสาวะเป็นตน้นก็จัดว่าเป็นธาตุน้ำมีอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นดินกับน้าย่อมอยู่ด้วยกันพอชื่นฉ่าให้เป็นไปได้ไม่ถึงกับมากมายเกินไปถ้าน้ำน้อยถ้าากว่าน้ำน้อย อากับกิริยาของธาตุดินก็จะแข็งแกร่งและไม่สมควรที่จะประกอบกิจการงานได้เพราะแข็งเกินไปไม่มีสิ่งที่ช่วยเหลือให้เกิดความอบอุ่นให้เกิดความนิ่มนวลให้เกิดมีลมหายใจได้ถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยธาตุอื่นดังนั้นชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายจึงพึ่งพาอาศัยในธาตุทั้งสี่นี้ มาเป็นอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนของธาตุทั้งสี่ในทางภาษาศาสนาสอนว่าในธาตุเหล่านี้ที่เราเรียกดินน้ำไฟลมก็ถูกสมมติไว้ทั้งสิ้นเหมือนกับโคที่เลี้ยงอยู่ในที่แจ้งมีทั้งโคดาโคด่างโคแดงโคขาวในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ที่เรียกว่าโคดาโคแดงเหล่านี้เป็นต้นเป็นชื่อสมมติตั้งขึ้นในภายหลังเห็นขนมันดำก็เรียกว่าโคดาเห็นขนมันแดงก็เรียกว่าโคแดงเห็นตามตัวมันมีจุดเป็นจุดด่างมีขาวสลับไปก็เรียกว่าโคดำที่จริงเรียกว่าโคเหล่านี้เป็นสมมติทั้งสิ้น แค่ยิงมันจะดำจะแดงจะด่างอย่างไรแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติขอเขาอย่างนั้นเองไม่ต้องไปยึดถือในความเป็นไปอย่างนั้นรู้แล้วก็ปล่อยวางเสียเพราะในสิ่งที่เป็นไปนั้นคือเป็นไปแล้วในสุดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันในเบื้องต้นท่านสอในให้พิจารณาร่างกายนี้พิจารณาร่างกายนี้ดยแยกออกอย่างใดก็ได้เช่นสมมติว่า โคตัวหนึ่งเป็นโคดาําเขาฆ่านายโคฆ่าฆ่าโคตายแล้วแบ่ง เ, เนื้อหนังมังสาของโคนั้นไปสี่ทิศเพื่อไปขายและแยกออกกันเป็นส่วนเมื่อโคนั้นตายเน้ยถูกแยกออกกันเป็นส่วนๆอันนี้ส่วนขาหน้าส่วนขาหลังอันนี้ส่วนหนังอันนี้ส่วนซี่โครงอันนี้ส่วนอวัวะหนภายใน ไปชี้ตรงไหนว่าตัวไหนเป็นโคดําเมื่อยังเป็นอยู่เมือมันตายแล้ววงไอเป็นโคดํามันก็ไม่มีที่เรียกและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาเอาโคตัวหนึ่งที่ฆ่าตายแล้วแบ่งออกไปเป็นสี่ส่วนให้คนไปขายให้คนไปขายตามมุมเมืองสี่แห่งโคตัวเดียวกันก็กระจายกันออกไป เมื่อบุคคลเห็นก็รู้ว่านั่นเนื้อโคนี่หนังโคเป็นต้นยังติดอยู่กับอาการของสมมติแต่แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องสลายไปเพราะฉะนั้นชื่อว่าโคดำโคดางโคแดงโคด่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังในกลาลมาแล้วเป็นส่วนสมมติทั้งทีง่โคเหล่านั้นก็ต้องประกอบไปทาตสีดินน้ำไฟลมถ้าหากว่าท่าสีดินน้ำไฟลมเกิดแปรปรวนมา เคยตั้งอยู่ไม่ได้คําว่าโคแางโคโคแดงโคด่า ง, างก็หายไปคงตายไปเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็หมดสภาพไปชื่อสิ่งต่างๆที่เรียกกันนั้นเรามนุษย์ทหลายมีความฉลาดตั้งชื่อไว้ทั้งสิ้นเพื่อให้คนรู้จักและเข้าใจเมื่อรู้จักและเข้าใจแล้วจะเรียเรียกกันถูกบอกกันถูก จึงต้องอาศัยสมมติก็เลื่อยไปทีนี้เมื่อเราอาศัยสมมติตลอดมานี้จึงติดอยู่ในสมมติติดอยู่ในสมมติก็ทําให้เกิดความยึดมั่นถึงมั่นวันนี่เป็นตัวเราอันนั้นไปตัวเขาอันนี้ของเราอันนี้ของเขาก็แยกออกไปแท้ที่จริงแล้วธรีระร่างกายนี้แยกออกไปแล้วไปเป็นส่วนๆเหมือนดังโคค่าเกี่ยวค่าแล้วไปไว้ตามมุมเมืองสีแห่งเพื่อเป็นค้าขาย เนื้อสัตว์นังสัตว์คาว่าคําว่าโ ค, ด, โค ด, าดําโคด่างดำในกล่าวไม่ก็ไม่มีมนุษย์นี้ก็เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วขึ้นพองอืดเ น, น่าเขาไม่เรียกว่ามนุษย์แล้วเรียกว่าศพเปลี่ยนชื่อไปออกไปทันทีและมีอาการอย่างไรเขาก็เรียกไปตามอาการนั้นมนุษย์เมื่อตายไปแล้วขึ้นอืดพองก็คือเน่าเหม็นแล้วก็เรียกว่าศพนี้เหม็น มักจะไม่ช่อยเดียวว่าคนตายมักจะรีวิศศพเพื่อหมายว่าสิ่งที่ตายแล้วเป็นของเหม็นเป็นของเน่าเป็นของหน้าเะอิเสีเอียนหน้ารังเกียจในเมื่อเกิดความเน่าแล้วจึงเห็นได้ว่าธาตุทั้งหลายเหล่านี้ย่อมแปรปลันไปอยู่เสมอแม้มาอยู่กับชีวิตที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ปกติต้องแปรปลนไปอยู่เรื่อย ในเทเรศร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็ดีวันไหวบ้างไม่วันไหวบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีอาการเป็นอย่างนี้อยู่เสมอท่านจึงสอนให้รู้เห็นตามธรรมดาวาโคตัวหนึ่งผ้าเอาเอาขาฆ่าตายแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนําให้บุคคลสี่คนไปขายตามมุมเมืองมุมถนนที่คนผ่านไปผ่านมาแท้จริงแล้วก็คือตัวเดียวกันนั่นเองแต่เมื่อแยกออกไปแล้ว ก็มีชื่ออย่างหนึ่งว่าขาโคบ้างหนังโคบ้างกระดูกโคบ้างตับตไตแท้พุงของโคบ้างก็เรียกชื่อไปตามอาการเอานั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นชื่อของสมมติทั้งสิ้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่จันสอนให้รู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็น้อมเข้ามาในพิจารณากายของเรากายเราก็มีทตาบินท่าน้ำทธาไฟฉลุมเหมือนกันกับโคดังที่มาเปรียบเทียบแล้ว และเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้ า, าว่าเราจะพิจารณาให้เป็นกรรมฐานเดิมตีก็เป็นให้เป็นสมถะกรรมฐานก่อนก็พิจารณากายของเราว่าเกสาโรมาณะขาทันตาอย่างใดอย่างหนึง่งก็ได้ไว้เป็นอารมณ์หรือพิจารณาธาตุธาตุดินก็ได้ภาวนาธาตุดินก็ได้ธาตุน้ำก็ไา้ธาตุไฟก็ได้ธาตุลมก็ได้ <c oughs> แต่ธาตุต่างๆไี่พอเห็นได้มีธาตุที่สี่คือธาตุลมเห็นไม่ได้เมื่อจะพิจารณาก็ดูพิจารณาดูต้นไม้ที่เวลารม่มันพัดใบไม้มันหวั่นไหวมันปลิวมันปลิวไปตามอาการของลมพัดหรือเหมือนเราเมื่อยืนถูกกลางแจ้งถูกลมพัดมาก็เกิดความเย็นเกิดความกระช o b ขึ้นกับผิวหนังเต็มองไม่เห็น แต่สิ่งที่หมองไม่เห็นนี้เขาเรียกว่าโพสสภาพเพ่อสามารถมากระทบประกายได้เดียกเดียกอย่างนี้ได้แต่ว่าเดียกเป็นวัตถุหรือเป็นรูปไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่มากระทบกายนี้ได้สิ่งทั้งปวงทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมีสภาพเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธาตุดินในร่างกายของเราเหมือนกัน ถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นสมฉะก็หมายว่ามาเพง่งเพ่งดูกระดูกก็ได้เดี๋ยจะใช้คําว่าปัจวีปัจวีธาต์ปัจวีว่าร่างกายนี้มีแต่กระดูกร่างกานยนี้เป็นกระดูกหรือร่างกายนี้เป็นธาตุดินร่างกายนี้เป็นธาตุดินร่างกายธาตุดินปัจวีธาต์ปัจวีธาต์แล้วก็พิจารณาร่างกายของเราให้ลอกให้ทั่วก่อนแล้วก็หาจุ ด, จดเดียวมาพิจารณาว่านี่ปัจวีธาต์ เพื่อทำให้เกิดไม่ความไม่การทำไมเกิดไปยึดถือจะได้รู้อยู่อย่างเสมอเสมอว่าตรีระร่างกายนี้ปรกฏในธาตุดินแม้ธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันอาโปธาตุอาโปธาตุในร่างกายพวกเรานี้มีน้ำพิจารณาไปภาวนาไปดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นสมถกรรมฐานส่วนธาตุไฟก็ใช้ความ ร, รู้สึกเหมือนกัน คือไม่ใช่ว่าในตัวของเรานั้นมีกองฟืนกองไฟที่เขาไปก่อไว้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติในเมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมกันแล้วก็มีอาการแปลกต่างๆกันไปโดยเป็นธาตุลมบ้างธาตุไฟบ้างและธาตุไฟก็มีประโยชน์ดังได้กล่าวมาถ้าวอริโภคอาหารไม่มีธาตุไฟธาตุไฟเสียอาหารจะไม่ย่อยเลยหมักหมมอยู่ท่านนะที่นั้น ทำให้เกิดอุจจาระด้วยประการาต่างธาตุไฟมีลักษณะเป็นไปอย่างนี้ท่านเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างดีแล้วก็จะทําให้จิตใจนั้นไม่เข้าไปข้องจะทําให้เกิดความสงบได้และเมื่อความสงบเกิดขึ้นอย่างทํานานแล้วทําให้พิจารณาก็ได้ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ส่วนธาตุลมดังในล่าวมาแล้วว่ามองเห็นลมไม่ได้ต้องรู้ในความสัมผัสสัมผัสจริงของใบไม้เป็นต้น ธาตุทั้งสี่นี้นำมาพิจารณาว่าธาตุดินไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุน้ําไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุไฟก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุลมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาโดยให้รู้ในส่วนต่างๆของร่างกาย ประกอบด้วยความให้เที่ยงเป็นทุพ ป, ปาาัญญาถ้าเพ่งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ก็เป็นสมถะจะเกิดความสงบขึ้นได้ในเมื่อเพ่งสิ่งใดอย่างหนึ่งในร่างกายนี้แต่เมื่อเป็นสมถะคือเป็นสมาธิจนเกิดความชำนิชำนานมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปให้เห็นเป็นวิปัสนาเพื่อเห็นตามความจริงว่าส่วนต่างๆของร่างกายนี้ รวนแล้วแต่ละชิน้นละอย่างมีความแปรปรว น, นทั้งสิ้นเพราะว่าตัวอย่างวัาชชาธาตุาดินผมเป็นธาตุดินขนเป็นธาตุดินกระดูเป็นธาตุดินหนังเป็นธาตุดินสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นธาตุดินแล้วไม่ได้อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอถ้าพิจารณาให้เห็นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปแต่เพ่งอยู่จิตกาหนดรู้อยู่ก็เกิดความสงบเป็นสมาธิ ของขณิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างใดอย่หนึ่งก็ได้แล้วแต่เพ่งแล้วแต่พิจารณาถ้าเพ่งอยู่นิ่งอย่างเดียวมักจะลงได้ถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานถ้าหากว่าพิจารณาไปเรื่อยๆสงบครั้งแทกจะเกิดเพียงคณิกะอูปจาระเท่านั้นเพียงไปทวนมากแต่เมื่อผูกฝนพัฒนาอุปจาระเหล่านั้นให้เป็นวิปปัตนาให้สูงขึ้นก็ได้ ร่วมความว่าสิ่งเดียวที่เป็นธรรมชาพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของแม้แต่ตัวเราเองเห็นว่าร่างกายพวกเรานี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมาจากไหนก็คือธาตุดินน้ําไฟรวมมันเองพิจารณาดูให้มากๆเพ่งให้มากๆาเพ่งบ่อยบย่รู้บ่อยบแล้วแต่จริตในขณะนั้นที่ว่าควรจะพิจารณาอะไรที่จริงที่ได้ยกพัมมะหลายหลาอย่างมา มากล่าวมาสอนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนกรรมฐานกรรมฐานอันใดที่เราเคยภาวนาเช่นพุโทโธเป็นต้นก็ภาวนาไปฟังธรรมจําเอาธรรมต่างๆนั้นไปปวดเปรี้ยงสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่จะมาให้โทษให้พิษคือเป็นกิเลสตัวเราจําบทใดบทหนึ่งที่สอนไปในนิยธรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้สอนโดยตรงจากที่ได้เคยภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อใดหลักแล้วก็ต้องจําหลักไว้ให้มันคง ต่อไปก็ฝึกษาทำให้ฟังคืนฟังคืนฟังคืนเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็จริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะสงบได้การพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นธาตุสี่แต่ละอย่างละอย่างจะให้เป็นอสุภะก็ได้เช่นว่าชาติน้ําเป็นเลือดเป็นต้นเน่าเสียเหม็นก็เป็นอสุภะกรรมาฐานไปก็ได้ถ้าหากว่าจะพิจารณาเพ่งเพ่งว่าเพ่งสรีระร่างกายหนังกระดูกเป็นต้น ให้อยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะคือเป็นสมาธิความสงบก็ได้ในลักษณะเป็นอย่างนี้ในธาตุทั้งสี่ท่านสอนเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นตามความจรงิงว่าธาตุทั้งสี่คือร่างกายของคนเราหรือจัดมีโคเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วเมื่อนายโคค่าเขา ข, าข่าตายขาเขาแบ่งส่ว น, นต่างๆของโคนั้นออกมาเป็นสี่ส่วนแลว้วไปเที่ยวขายตาม ตลาดไปตามมุมต่างๆที่จะขายตัวนี้ขานี้อาจจะไปอยู่มุมโน้นของเมืองอีกขาหนึ่งส่วนไปอยู่อีกมุมหนึ่งหนังไปอีกส่วนหนึ่งตัดไตใส้พุงไปส่วนหนึ่งต่างขวาต่างแยกกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปเจอสิ่งเดียวกที่แยกไปแล้วที่เรียกเคยเรียกว่าโคด่างก็จะไม่มีคาว่าโคด่างแล้วหรือโคดามันก็ไม่มีโคดาแล้ว พอเมื่อเขาแยกไปหมดแล้วจะภาพเป็นไปอย่างนี้ตรีร่าร่างกายของเราก็เหมือนกันถึงแม้จะไม่มีค่าฟันไม่มีใครค่าฟันเมื่อแก่แล้วมากแล้วตายไปแล้วปล่อยให้เป็นของเน่าเป็นธรรมดาไม่มีใครมาดูมาแลก็ก็กระจายออกไปเช่นเดียวกันมีภาพอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตาความจริงเห็นตาความจริงพิจารณาเห็นว่าตรีร่าร่างกายนี้ที่ถูกพาค อ, ออกจากไป ด้วยการทำลายก็จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตันเราเขาเมื่อพิจารณามาเข้าจิตก็จะสงบให้เห็นตามความจริงว่าแท้จริงจรีระร่างกายของสัตว์นีเ้เป็นของเป็นสิ่งที่เกิดเพ่งพิจารณาให้เกิดควาสมาสงบได้แล้วเมื่อเกิดความสงบได้แล้วเป็นสมาธิแล้วเราก็จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาต่อไป ความจริงการพิจารณาร่างกานี้เป็นของที่ไม่ยากเป็นของธรรมชาติเป็นของธรมงธรมดาแต่พิจารณาให้มากๆเพ่งใะ้ดูให้บ่อยๆมากเข้าก็จะเห็นความจริงของสรีระร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปและไม่ตั้งมั่นไม่อย่งยืนเมื่อสงบดีแล้วต่อไปก็จะพิจารณาเห็นว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเข้าหลักในการวิปัสสนา เมื่อพิจารณามากเข้ามาเข้าในส่วนใดให้เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นในสิ่งนั้นเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนปรากฏอยู่กับใจก็จะตัดอารมณ์อื่นๆ อ, ออกเสียได้ทำให้จิตใจสงบและสงบมากๆแล้วก็จเจริญพิปัตินาต่อเห็นตามความเป็นจริงผนฟา้ามุดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่เคยมีอยู่ให้ออกไปให้หมดไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นธรรมทิมีขึ้นปัญญาก็มีขึ้น ขั้งสองประการนี้พอสมาธิมีขึ้นแล้ปราบนิวรอยรางราบาพอเมื่อปัญญามีขึ้นแล้ปราบพออนุสัยกิเลสอย่างเียดอย่างละเอีดยอดให้รากภาบไปเหลือแต่ธรรมะคือธรรมะปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในสรีระร่างกายของบุคคลนั้ น, น, นก็จะเป็นเหตุให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตจะได้คือเห็นความจริง ก็ถอนความที่เคยเห็นว่าไม่จริงนั้นออกไปหมดไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วความที่ไม่เป็นจริงนั้นก็จะไม่เกิดไปเกิดอีกเพราะเห็นชัดแล้วมีลักษณะเป็นไปอย่างนี้และพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาเข้ามาเข้ า, า, ขาออกเป็นส่วนพิจารณาตั้งแต่ผมไม่เที่ยงเป็นทุกขอมนตตาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตไปเที่ยงเป็นทุกเป็นนตตา เนื้อหนังมังสาแต่ละอย่างละอย่างแยกออกพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างละอย่างให้ละเอียดบอกไปก็เป็นวิปัสนาถ้าแยกออกมาเพื่อเพ่งเป็นสมถะถ้าแยกออกมาพิจารณาเห็นทั้งตายแักทั้งสารประการเป็นวิปัสนาวิปัสสนาก็มีหน้าที่ดับถอนกิเลสตัดกิเลสอย่างละเอียดถ้าหเป็นสมาธิก็ดับตัดกิเลสอย่างกลางที่คุ้มคลุมจิตใจยอยู่ ที่ไม่ของพี่เศร้าหมองก็ทำให้เกิดความของแพ้วสิ่งที่เศร้าหมองก็หมดไปทั้งสองอย่างจริงเป็นทั้งวิปตมะทะระวิปัสนาทั้งสองประการนี้เป็นเครื่องอานวยความสะดวกแก่บุกับบุคคลที่ได้ปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังยกสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นกรรมฐานคนตายแล้วก็ให้เป็นกรรฐานอสุภกรรมฐานแต่ที่ตายแล้วเน่าเละแทะ ก็ให้กลับมาเป็นธรรมให้พิจารณาเป็นกรรมฐานเพื่อจะได้เห็นรู้จักในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงและเมื่อรู้เห็นตามความจริงของสภาพของความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นกับในจิตใจของตนสภาพความจริงที่เกิดปรากฏขึ้นกับใจของตนนั้ น, นคือเป็นธรรมแท้ธรรมที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อสาธนาธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ อย่างถูกต้องเมื่อได้พบได้เห็นแล้วก็จะรู้ได้เดี๋ยว ใ, ยใจของใจตวเองว่ากายนี้เป็นอย่างไรมีสภาพเป็นอย่างไรแปรปวนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ประการนี้ถ้าพิจารณาเพื่อให้จิตหยุดฟุ้งซ่านเป็นสมถะถ้าพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัชนา คือเพ่งธาตุดินหรือธาตุน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ว่าปราชวีก็ดีอาโปเขดีความสงบเกิดขึ้นเป็นส ม, มถะถ้าพิจารณาว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาว่าคนเกิดมามีธาตุสีเรียกว่าดินน้ำไฟลมแต่คนตายเรียกกลับกันลมไฟน้ำดินลมหมดก่อนแล้วไฟยึงดับ ไฟขึดับแล้วน้ำก็เน่าน้ำก็เน่าแล้วดินก็พังคือกระดูกต่างๆทั้งสี่ประการนี้มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ที่เราพิจารณาย้อนกลับว่าลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังแล้วก็มานึกถึงตัวของเราเองว่า ลมหายใจเขาออกเรานี้หยุดเมื่อไหร่หมายถึงเราตายไฟที่เคยอุ่นอยู่ก็ดับคือไม่มีเครื่องอุ่นการนี้ให้อุ่นน้ําที่เคยอาศัยไฟเยือให้อบอุ่นไม่เนา่าน้ําไม่มีความอุ่นไม่มีไมม่ีเครื่องต้มเครืองอุ่นก็เนา่าเป็นน้ําเสียกรดูกคธาตุดินทุกส่วนต่างๆเนื้อก็ดีอะไรก็ดีก็ผุพังแตกจะไหลไป ยังรวมท่านท่านว่าทารนามพิจารณาคือลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังมีอยู่ในกายของเรานี้เราจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ลวงพ้นอย่างนั้นไปได้วันหนึ่งลมที่เราหายใจอยู่นี้ต้องหยุดต้องหมดเมื่อลมหมดลมหยุดไฟธาตุก็หมดไปด้วยคือดับไปด้วยที่จริงอาการของลมอาการของธาตุเหล่านี้ ที่เกิดมาอยู่ในกาณนี้อยู่ร่วมกันน้ําก็อยู่กับไฟไฟก็อยู่กับน้ําดินก็อยู่กับลมลมก็ดูดกับดินทึ่งอาศัยที่การอะไรกั น, กนจึงเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ครั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้พังสลายไปแล้วทางคนก็ต่างแตกสลายไปเช่นเดียวกันจึงกล่าวท่านๆเพื่อพิจารณาว่าลมหยุดไฟดับน้ําเน่าดินพังคือกายนี้เองเพราะฉะนั้นกายนี้ ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาถ้าหากว่าเป็นของเราเป็นของเขาลมก็จะไม่หยุดไฟก็จะไม่นับน้ําก็จะไม่เน่าดินก็จะไม่พังแต่เพราะอาศัยที่ว่าทิ้งทั้งหมดนี้ไม่ใช่จุบพลตัวตนเราเขาเมื่อไม่ใช่บุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นของใครก็คือเป็นของธาตุและธาตุจะมีลักษณะอย่างไรธาตุก้อนนี้ไม่พ้นแห่งความเป็นอนิจจังทุกภพอนัตตาอีกจึงรวงความว่ารูปจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม เป็นใครของในสัตว์ประการใดก็าตามในสุดก็มีอาการเหมือนกันโดยเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองอ <S <S เพราะฉะนั้นการพิจารณาให้มากๆพิจารณาบา่อยๆพิจารณาคนต้องผลไม่ไม่พบไม่พบธรรมพิลึกต้องพิจารณามากๆบ่อยๆเข้าก็จะปรากฏแตงเวลาที่จะปรากฏนั้นมักจะเป็นนิมิตให้เห็นถึงสรีระร่างกายที่ตายแล้วบ้างหรือ ให้เห็นของเสียของเน่าบ้าง อ, อื่นๆบ้างถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นอสุภะก็จะเห็นเป็นของเนา่าถ้าหากว่าพิจารณาเป็นเพียงกระดูกอาฐิก็จะเห็นกระดูกที่แห้งเหล่านี้เป็นต้นผู้ติ่งผู้อย่างย่อมมีอาการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดนำเอาสิ่งที่คนที่เขาไม่รู้คนที่เขาไม่คนเขลังเกียจร่างกายตายแล้วเอามาเอาร่างกายตายแล้วนั้นเอามาเป็น ทำสอนให้คนสามารถละลดความเสียหายคือกิเลสได้สิ่งอื่นๆไม่มีใครที่สามารถผลิตยาออกมาลดความโรคได้ความโกรธได้ความหลงได้แต่พระพุทธเจ้าเอาของที่เขาตายแล้วทิ้งแล้วนำมาสอนให้เห็นเพื่อลดความโรคได้ความโกรธได้ความหลงได้ คือการจัดอาสวะกิเดสนั่นเอ ง, งเพราะเ็ตพระผู้มีพระภาคเจ้าจาึงได้นามว่าทรงมีพระมหาปัญญาคุณอันให ญ, ญ่ยิ่งที่สามารถรู้รอบครอบรู้จักละเอียดละอวรู้จึกทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่ควรและไม่ควรประการใดในฟางเป็นไปของโลกในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงไม่รู้นั้นไม่มีเพราะได้แต่จะรู้อนุตตรสามมาสัมพุริยาน อันเป็นหัวใจของความ ร, รู้หัวใจความรูร้ของโลกแล้วเมื่อแต่จะรู้ข้อนี้แล้วในโลกนี้มีอะไรก็รู้หมดคำว่าโลกหมายโลกอมูสัตคือมนุษย์และสัตว์บ้างคำว่าโลกคือหมายแผนดินก็มีแล้วแต่อาการเลนั้นที่เททนาสั่งสอนที่พูดถึงก็ต้องพึงสังเกตให้ดีตัวใหญ่มักคาว่าโลกมักจะเอาชีวิตสัตว์โลกคือมูสัตอัญชารานาเข้าไปไม่ไดังไม่อย่างยืน โลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจึงต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงโลกคือหมูสัตว์พ้องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไปท่าแห่งกัญหารโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรป้องกันม็ดไร้ต้านทานย่อมเป็นไปตามของอนิจจังทุกขังนาตาอยู่อย่างนี้การพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเหตุให้หนึ่งรู้ตามความจริงของร่างกายที่เราอยู่นี้สองและจะไม่หลงมัวเมาด้วยประการต่างๆ สามนำมาพิจารณาตัด ก, กิเลสได้อีกด้วยให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้อีกด้วยให้เกิดความเมื่อตัด ก, กิเลสออกก็เกิดความถูกคือการทําก็ถูกการพูดก็ถูกการคิดก็ถูกเรียกว่ากายสุจริตวาจีสุจริตมนโนสุจริตตลอดจนสามารถที่จะถ่ายเทความเสียคือความเสียคือกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ดังในกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาตุ ดังได้กล่าวมาแล้วจึงเป็นกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของบุคคลรู้ตาความจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นและสามารถที่จะทำลายกิเลสได้ดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้พระสาวกได้นำมาศึกษาและสั่งสอนสันต่อมาพร้อมปฏิบัติ ด, ด้วยเพื่อบรรเทาอาการของของอาสวะกิเลสให้เบาบางไป ผู้ที่มีสติมีปัญญามีความเพียรทำให้มากๆทำให้บ่อยๆก็สามารถจะตัดอาศาวะกิเลสนัน้นได้ขาดไปเข้าถูภูมโิโลภุตรภูสุปตโลกุตาธรรมให้เกิดมีขึ้นในชีวิตคอนตนนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจพิจารณาธาตุเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตของเราปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นแล้ว จะเข้าไปหากรรมาถามเดิมคือพุโทโธเพ่งไว้เป็นอารมณ์ก็จะง่ายขึ้นความสงบและจะเห็นชัดง่ายขึ้นอีกด้วยดังนั้นต่อ น, นี้ไปพึงพากั้งใ จ, จเจริญพิจารณาแล ะ, จะเจริญจิตภาวนาเพื่อพรมจิตของเราให้ผองแผ้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป